การดำเนินชีวิตนี่มีสิ่งหนึ่งที่ทำได้ยากมากอาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในอันดับต้ตนๆของการมาเป็นมนุษย์สิ่งนั่นคือการรักตัวเองรักตัวเองอย่างถูกต้องนะใครๆก็นึกว่าฉันก็รักตัวเองอยู่แล้ว แต่ก็น่าสงสัยว่ารักตัวเองจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ารักตัวเองนี่นะก็ต้องอยู่กับตัวเองได้เวลาเรารักใครก็ตามเนี่ยเราก็อยากอยู่กับเขาเช่นรักพ่อรักแม่รักแฟนก็อยากอยู่กับเขารักแฟนนี่ก็อยากอยู่กับแฟนเหมือนกับว่ามีสองคนเท่านั้นในโลกเวลาเรารักแม้แต่โทรศัพท์หรือว่า วิทยุก็อยู่กับโทรศัพท์หรือวิทยวแค่นั้นก็พอแล้วไม่อยากจะมีอะไรมากวนใจนนเวลาเรารักตัวเองจริงเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับตัวเราเองได้แต่เป็นยังไงเมื่อวานนี้เราได้รักตัวเองจริงหรือเปล่าอยู่กับตัวเองได้จริงหรือเปล่าเวลาอยู่กับตัวเองนี่จะรู้สึกยังไงโดยเฉพาะถ้าอยู่คนเดียว มันอยากจะหนีออกจากตัวเองนะอยากจะไปหาเพื่อนอยากจะไปโทรศัพท์อยากจะไปเที่ยวห้างหรือบางคนขยันหน่อยก็อยากจะอ่านหนังสืออยากจะทำงานเวลาอ ย, อยู่คนเดียวเนี่ยนะโดยพ่อมาปฏิบัติเนี่ยแม่มันมีอะไรสารพัดที่อยากจะทำบางคนก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ขึ้นมาละ อยากจะไปกราบพ่อกราบแม่ทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะเป็นอุบายก็ได้นะอุบายของใจของกิเลส ท, ที่มันอยากจะหนีตัวเองมีบางคนเนี่ยพอมาปฏิบัติได้แค่สองสามวันนี่อยากจะทำโน่นทํานี่ขึ้นมาแล้วอยากจะหาหนังสือมาอ่านขึ้นมาแล้วรวมทั้งอยากจะไปกราบพ่อกราบแม่ไอตอนแม่ปฏิบัตินี่ไม่เคยนึกถึงเลย แต่พอมาปฏิบัติคนเดียวนี่สารพัดอยากจะทำโน่นทำนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะหนีจากตัวเองแล้วคนที่อยากจะหนีตัวเองนี่มันจะเรียกว่ารักตัวเองจริงหรือเปล่าเราถามตัวเราเองจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้ารักตัวเองไม่ได้นะมันจะรักใครนี่ก็รักยากไม่ว่าจะเป็นการรักพ่อรักแม่หรือว่ารักแฟนเขาตาม แล้วคนเรานี่มีปัญหาทุกวันนี้อยู่กันไม่ยืดทะเลาะบบาแหวงกันเพราะว่าลึกๆ ก, ก็รักตัวเองไม่เป็นเวลาอยู่กับตัวเองนี่มันฟุ้งซ่านสารพัดเลยมันกระสับกระส่ายอยากจะหนีอยากจะหาอะไรมาทําอยากจะทําอะไรก็ได้ที่จะหนีออกจากตัวเองในการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยนะก็เพื่อให้เราเนี่ยรักตัวเองได้จริงๆอยู่กับตัวเองได้และมีความสุขด้วย อยู่นิ่งๆก็อยู่ได้และยิ่งกั่นันก็คือว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยทุกวันนี้เราทำร้ายตัวเองนะด้วยความคิดของเราเราคิดเราฟุง้งแล้วเราก็ทุกข์กับความคิดอย่างที่บอกเลยทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต่างจากคนซึ่งมีแก้วอยู่ในมือ แต่แล้วก็บีบกำเศษแก้วนั้นเอาไว้จกนกระทั่งมันบาด ท, ทั้งๆั้งที่เราเลือกได้ที่จะไม่บีบเราเลือกได้ที่จะไม่กำเราเลือกได้แม้กระทั่งว่าพลิกมือปล่อยให้เศษแก้วนั้นตกลงมาก็ทําได้แต่เราไม่ทําเรานี่อาจจะไม่ต่างจากไม่ต่างจากลิงที่ เวลามันถูกกระปีมือถูกกะปี่นะลิงนี่ไม่ชอบกะปี่ใช่ไหมแต่ลิงนี่เวลามือมันไปถูกกะปีเนี่ยมันทำยังไงมันจะมือเนี่ยถูๆ ก, ก, กับหินหรือว่ากับคาคบกิ่งไม้ถูเสร็จก็จะมาดมดมเพื่ออะไรดมว่ามีกลิ่นกระปี่อยู่หรือเปล่าถ้ายังมีกลิ่นอยู่มันก็จะถูอีกถูถูไปเรื่อยๆ จนกระทั่งบางทีเนี่ยเป็นแผลทลอกเลือดออกมาซิปๆเลยแต่ทีม่มีกลิ่นอยู่นะั้นมันก็ยังถูต่อไปเพราะมันเกลียดกับปิเลือดออกก็ยังถูต่อไปนะถามว่าไอ้ที่ไม่เลือดออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่เป็นเพราะกระปิหรือว่าความเกลยดกระปิกระปิไม่ทําให้เลือดออกนะแต่เพราะความเกลยดกระปิ เข้ากระดูกดำนี่แหละทําให้มันถูจนกระทั่งแผลนี่ลึกไปถึงกระดูกก็เป็นได้ไอความเกียดกับปิอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเราแล้วเกียดกระปิแบบไม่รู้ตัวเลยนะยิ่งเกลียดยิ่งดมแปลงนะรู้ว่ามันเหม็นนะแต่ทําไมยังเอามาดมยิ่งเหม็นก็ยิ่งดมแปลงนะถามว่ามีแต่ลินท่านที่ทํางี้หรือเปล่าคนก็เป็นนะ เราเกลีย ด, ดใครก็ตามเราโกรธใครก็ตามเนี่ยมันใจมันก็จะยิ่งจอ่อยิ่งคิดยิ่งนึกถึงคนคนนั้นใช่ไหมเวลาใครมาทําให้เราโกรธครมาทําให้เราเกลียดนี่นะเราจะคิดถึงคําพูดคิดถึงการกระทําคิดถึงหน้าตาของคนคนนั้นแล้วยิ่งคิดก็ทุกข์นะแล้วยิ่งทุกข์ก็ยิ่งร้อนยิ่งโกรธแต่ทําไมยิ่งคิด ยิ่งเกลียดใครกรินมันก็น่าจะปล่อยวางใช่ไหมเหมือนกะลิงยิ่งเกลียดกะปิก็ไม่น่าจะเอากะปิมาดมอยู่เรื่อยๆแต่พอดมแล้วเป็นยังไงก็ยิ่งอยากจะถูถูถู ถ, ถ, ถให้มันหายไปนี่แหละคือปัญหาของคนเราปนญหาจิตใจเราจิตใจเราเนี่ยมันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่เราโดยไม่รู้ตัวเพราะความเกลียด เมื่อเกลียดสิ่งใดมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่ปล่อยไม่วางก็เหมือนกับคนที่บีบกำรรเศษแก้วเศษกระจกเอาไว้ไม่บีบ ก, ก็ทําได้ไม่กรำก็ทําได้หรือพลิกคือปล่อยให้มันตกลงมาเวลาเรากลัวใครเาเกลียดใครนี้เราเคยคิดที่จะปล่อยเหตุการณ์คําพูด หรือว่าการกระทของเขาเนี่ยออกไปจากใจไมไม่ยอมนะมันยิ่งกรรมยิ่งนึกซ้ำยิ่งนึกอยู่นั่นแหละนี่แหละถึงเรียกว่าเราไม่รักตัวเองถ้าเรารักตัวเองนี่เราจะหามีดมาจิ้มมาแทงเราจนอยู่ตลอดเวลาหาเศษแก้วมาบาดมาเฉือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้อย่างไร ทุกวันนี้เราทำลายตัวเองมากนะเรายังจะมาบอกว่าเรารักตัวเองอยู่แต่เราสามารถที่จะรักตัวเราเองได้โดยเพราะที่เรามีสติรู้ตัวมีสติรู้ตัวไอ้ที่เรากรมเศษกระจกเศษแก้วแล้วก็บีบอยู่เสมอเสมอหรือหาอะไรมาเฉือนตัว อ, อยู่เรื่อยๆนี่เพราะว่าเราลืมตัวเหมือนกับลิงมันลืมตัว มันเกลียดจนลืมตัวมันก็ทูทูทูููกับหินจนกระทั่งเป็นแผลเพราะมันลืมตัวแล้วลืมตัวเพราะอะไรเพราะไม่มีสติถ้ามีสตินะสติมันจะเป็นตัวยั้งตัวเตือนเวลาจะทำอะไรที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยสติเมือนกับตัวยั้งตัวเตือนจะรอเอาไว้เวลาใจจะคุ้นคิดถึงคนที่เรากดและเราเกลียด ใจก็จะเตือนก็จะรู้รู้แล้วก็วางสตินี่เหมือนกับเบรกนะอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ได้พูดไว้หลายครั้งนะสตินี่เหมือนกับเบรกของรถนะเราเนี่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยนะเหมือนกับรถที่กำลงังแรงแต่ว่าไม่ไม่มีเบรกรถที่ไม่มีเบรคนี่ก็อันตรายแต่ที่จริงเราทุกคนมีนะแต่เราไม่รู้ มันเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาขี่รถสกูตเตอร์เพื่อเรารู้จักรถสกูตเตอร์มาเวสป้าก็มีเรื่องเขาเล่าว่าคนขับสิบลอ้อนี่กําลังขับรถอยู่ดีๆบนถนนใหญ่นะอยู่ดีๆก็มีรถสกูตเตอร์เนี่ยเร่งเครื่องขึ้นมาตีคู่แล้วคนขับก็บอกว่าเพ่เพ่รู้จัก Bar, pay. เวสป้าไหมเพ่ใช่ไหมเขาพูดอย่างเงี้ยคนขับสิบลอ้อก็ได้ยินก็ โผลขึ้นมานนทีเลยว่าไอ้หนูนี่มันจะแข่งกับราชสีรื่องยังไงนะเรา10บ้อนะไอ้เวสปานี่มาตีคู่แข่งกับเราก็ลำคาญก็เลยแกก็เลยเหยียบคันเร่งแซงสกูตเตอร์ไปเลยแต่สักพักสกูตเตอร์ก็ตีคู่มาใหม่แล้วก็บอกว่าแพ้แพ้รู้จักเวสป้าไม่แพ้นะ อันนี้แกลำคาแล้วลำคาแล้วแข่งกับมันเสียเวลาเสียศักดิ์ศรีมึงจะแซงก็แซงไปเถอะไปก็ปล่อยให้เวสป้านี่แซงไแกก็ชะลอรถนะแล้วก็เวสปาก็เลยแซงไไม่นานนะก็ไปเห็นเวสป้า น, ะนอนแอ่งแมงอยู่ริมถนนก็สะใจว่าเนี่ยนะสะสมแล้วนะลิ อ, อาจจะมา แข่งกับเราไม่เจียมเนื้อเจียมตัวไม่เจียมบอดี้แต่ว่าเห็ น, นไหนๆก็เห็นว่าเขาลงเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำตัวเป็นพลเมืองดีหน่อยก็ลงไปช่วยคนขับเวสปานี่พอเห็นคนขับสิบร้อจจาได้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเกยๆผมแค่ถามน่ว่าพี่รู้จักเวสปาหรือเปล่าผมไม่รู้เบลร์อยู่ตรงไหน คนขับเวสป้าไม่รู้เบรกอย่ตรงไหนแล้วเป็นยังไงพร้พอมเรื่เอเบรกตรงไหนก็เสร็จเลยพอคนเรานี่ไม่รู้จักเบรกนะมันก็แย่แล้วล่ะขับรถแล้วถามเราว่าเรารู้จักเ บ, ก บ, กบเ ร, ร ก, เบกบ้างหรือเปล่าเรารู้จักเบรกบ้างหรือเปล่านะพวกเรานี่มีเบรกอยู่ในตัวนะอยู่ในใจเราก็คื อ, คอสตินั่นแหละแต่ไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักก็ใช้ไม่เป็นนะแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยก็คงจะรู้จักบ้างแล้ว นะว่าสตินั้นมันมีประโยชน์อย่างไรนะแล้วช่วยทำให้เราไม่เป็นท่าของความคิดหรือไม่เป็นท่าของอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะเวลาความคิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราไม่มีสตินะเราถูกความคิดมันพายเราไปลนะมันอยากให้โกรธก็โกรธมันสั่งให้เกลียดก็เกลียดนะ มันสั่งให้ไปด่าก็ดา่า น, น, นี้เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีสตนะิเราก็เลยเป็นท่าความคิดแต่ถ้าเรามีสติอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็พัฒนาให้เจริญเนี่ยเราจะเหมือนกับรถซึ่งมีทั้งความแรงความเร็วแล้วก็เบรกที่ดีจริงสตินี่นะมันยิ่งกว่าเบรกนะเพราะมันเป็นทั้งคันเร่งด้วย อย่างเวลานักศึกษานี่เฉื่อยขึ้นมาเนี่ยไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะไปเรียนหนังสือเนี่ยสติมันก็จะเตือนแล้วก็เล่งให้เราเนี่ยตื่นตัวให้เราสลัดความขี้เกียจความเซ็งออกไปสติเป็นตัวเล่งให้คนที่เฉื่อยเนี่ยขยันมากขึ้นเพราะว่าที่เราเฉื่อยเพราะอะไรเพราะเราเราเป็นทาสของอารมณ์ มันก็ลังเราไปมันกิเลสมันจะหาเหตุผลนะว่ายังเช้าอยู่เอย่าพึ่งไปเลยหรือว่าหลับเจมเปินมันก็บอกว่าสายแล้วอย่าไปเลยเนี่ยคือกิเลสมันหลอกเราแต่ถ้ามีสตินะมันจะรู้ทันว่านี่อุบายของกิเลสนะนี่เป็นอุบายกิเลสนะเราจะไม่ยอมเชื่อนะ เราจะกระตือรือร้นขยันขันแข็งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยที่เราเวลานี้เนี่ยเรามาเจ็ดวันนี้เท่ากับว่าเราได้ปัดฝุ่นนะแล้วก็ขัดสนิมจงกันทั่งเบรคของเราเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นใช้งานได้ดีกว่าเก่าและคันเร่งของเราเนี่ยก็ดีขึ้นแล้ว แต่ว่าสำหรับนักศึกษาเนี่ยนะไอ้ตัวเบรกเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าเราเหยียบคันเร่งมาจนกระทั่งลืมตัวมาบ่อยแล้วถึงเวลาต้องแตะเบรกบ้างที น, นี้เราอยู่ที่นี่เนี่ยนะโอกาสที่เราจะให้สติมันจเจริญก็เป็นไปได้มากแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องออกไปข้างนอกกลับไปบ้านเราจะเจอสิ่งด้่วยุ ถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรกับจิตใจของเราเลยเนี่ยเราก็ไม่ต่างจากโงนะงน้ำนะซึ่งเติมน้ำไว้ครึ่งหรือคล่อนละใจของเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเหมือนกับโงคงน้ำซึ่งมันมีน้ำอยู่นิดเดียวคือใจที่มีสเติอยู่นิดเดียว แล้วเราก็มาเติมสติลงไปจนกระทั่งมันมันครึ่งหรือค่อนละแต่ถ้าเราไม่ไปดูแลจิตใจเรานะมันก็จะเหมือนกับโอง่งซึ่งมีรูรั่วพอรูรั่วแล้วเป็นยังไงมันก็น้ำก็รั่วไหลหมดออกไปข้างนอกเนี่ยเราต้องระวังรักษาใจอย่าให้สติมันรั่วไหลออกไป ให้มีความรู้ตัวตลอดเวลามองอย่าไปมองข้างนอกมองมาที่ใจเราอยู่สม่ำเสมอว่าเรารู้สึกอย่างไรขณะ น, นี้เรากาลังนึกอย่างไรขณะ น, นี้เวลาทำแล้วก็ตามเนี่ยกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นเวลากินอาหารนี่ไม่ใช่ว่าปากเคี้ยวแต่ใจลอยอาบน้ำนี่มือก็ตักขันอาบน้ำแต่ว่าใจไม่รู้อยู่ไหน สตินี่มันง่า ย, น, ายนะคือกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นอย่างนักศึกษา ต, ตอนนี้กายอยู่นี่เนี่ยนะใจนี่อย่าลอยไปไปนอกศาลาหรือไปที่บ้านหรือบุรีรัมหรอให้อยู่นี่ตรงนี้นะแล้วที่สําคัญนะคือให้มีสติสาคัญมากก็คือเวลาเจอของต่างๆเนี่ย เวลาเจอเข้าของต่างๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทดสอบสติของเรามากเพราะว่าเวลานี้เนี่ยเราไปลักวัตถุมากเราเร า, เราลักตัว เ, เราเองน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าเราก็เลยไปให้ค่ากับวัตถุว่ามันจะให้ค่ากับตัวเราเจอสิ่งของต่างๆมันก็จะมายัออย่วยุให้เราอยากให้เราได้แต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้เลยนะว่า ไอสิ่งพวกนี้เนี่ยนะวัตถุเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่มีทิ่ใจของเราพอใจเราเกิดความอยากแล้วเนี่ยนะมันก็เล่เข้าหาวัตถุนะโทรศัพท์มือถือกล้องนะหรือว่าขนมเสื้อผ้าเพลงเราคิดว่าความสุขของเราอยู่ตรงโน้นและที่เราทุกข์ก็เพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากแล้วเราก็อยากจะได้สิ่งที่เราอยาก หามาให้ได้แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าใจของเราต่างหากที่มันเป็นตัวการเราตุกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเงินในกระเป๋าเรามีน้อยนะแต่เพราะใจของเรามันพร่องไม่ใช่เพราะเงินในกระเป๋าเราน้อยถึงไม่มีเงินซื้อปัญหาของคนหนุ่มสาวเวลานี้หรือว่าคนทั้งหลายทั้งปวงเวลาเนี่ยคือว่า เมื่อรักตัวเองน้อยก็เลยทำให้เอาความรักไปฝากไว้กับสิ่งต่างๆอย่างผิดที่ผิดทางรวมทั้งเอาความสุขไปฝากไว้กับวัตถุ ด, ด้วยเพราะว่ามันไม่มีความสุขกับตัวเองและเราก็เลยไม่รู้จักพอสักทีคนเรานี่นะถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีนะเราจะมีความสุขมาก แต่ถามตัวเองเวลานี้เนี่ยเรารู้จักพอบ้างหรือเปล่านะเรามันก็ว่าพอเจออะไรต่างๆขึ้นมาเช่นไปเที่ยวห้างนี่มันลืมตัวเลยนะไปเที่ยวห้างเจอของถูกตาถูกใจนี่มันลืมตัวมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อหมดไม่มีเงินก็ไปยืมพ่อยืมแม่มาไปยืมเพื่อนเสร็จแล้วก็ทะเลาะ ก, กัน และที่มันน่าเจ็บใจคือว่าซื้อมาแล้วมีความสุขกับสิ่งนั้นประเดียวประดาวเดี๋ยวพอมีของใหม่รุ่นใหม่มาก็ซื้ออีกอยากได้อีกและชีวิตเชนี้จะมีความสุขได้อย่างไรคนเราเนี่ยถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีนี่นะชีวิตนี้ก็มีความสุขไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วหรืออาจจะมากกว่าครึ่งในซ้ํา แต่ถามว่าเวลานี้เราพอใจสิ่งที่เรามีหรือเปล่านะเรามีเสื้อกี่ตัวแล้วนะแต่ก็ยังอยากได้เสื้อตัวใหม่ใช่ไหมเรามีเทปเพลงเนี่ยหรือซีดีหลายม้วนแล้วหลายแผ่นแล้วก็ยังอยากได้อีกมีเป็นร้อยนะแต่ว่าถ้ามีแผ่นที่แผ่นใหม่อีกแผ่นหนึ่งนะก็ยังอยากได้เรื่อยๆเราเคยถามตัวเองว่าแล้วบางหรือเปล่าว่า ความสุขเนี่ยไอ้ที่เรามีมากๆเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าหรือว่าความสุขของเราเกิดจากการที่เราได้สิ่งใหม่ๆใหม่หมชิ้นหนึ่งเวลาบินธบาเนี่ยมันจะมีหมามาคอยขอข้าวเหนียวเวลาโยนข้าวเหนียวให้มันนะมันก็งับแต่ไม่ทันจะกลืนนะพ อ, อตะมาโยนก้อนที่สองให้มันนะ มันทำไงรู้ไหมมันทิ้งก้อนแรกแล้วไปงับก้อนที่สองฉะนั้งที่สองก้อนนี่ก็เหมือนกันขนาดเท่ากันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรทําไมถึงทิ้งก้อนแรกไปเอาทิ้งก้อนที่สองเพราะว่าก้อนที่สองนี่มันใหม่กว่าก้อนแรกแค่ใหม่กว่าเฉะนั้นแหละแล้วเราเป็นอย่างนี้บ้างรอเปล่าเรามีอยู่เยอะนะแต่พอของมีของใหม่มา ของเก่าไม่เอาแล้วเราอยากได้ของใหม่ความสุขของคนเราเนี่ยเกิดจากการได้ของใหม่มันไม่สำคัญว่าเรามีอยู่มากเท่าไหร่มันไม่สาคัญอยู่ว่าไอท้ที่ไอ้ที่เรามีอยู่ในอยู่กับมือแล้วเนี่ยมันมากหรือว่ามันดีขาอสำคัญอยู่ที่ว่ามันเก่าแล้วนะแฟนของเราเนี่ยจะสวยไงก็ตามเนี่ยนะถ้ามีคนใหม่มาเราก็อยากจะไปหาคนใหม่ แฟนงเราจะหลอแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้ามีคนใหม่มาเราก็อยากได้คนใหม่เคยเห็นหมากคนที่มีได้ขายมาคนที่มีรองเท้าเนี่ยประมาณ300รอยคู่แต่ก็ยังซื้อไม่หยุดนะมีรองเท้า3า0ร้อยคู่แต่ยังซื้อไม่หยุดอยากจะได้คู่ใหม่เพราะความสุขของคนเราส่วนใหญ่มันไปอยู่ที่การได้สิ่งใหม่ใหไอ้สิ่งที่มีนี่ไม่สำคัญมีมากแค่ไหนก็ตามไม่สาคัญท้งกบว่าทาไมฉั น, ฉ, นฉันได้อันใหม่มา อันนี้เคาเรียกว่าไ ม, ไม่รู้จักพอในสิ่งที่เรามีแต่ถ้าเรารู้จักพอบ้างนี่นะเราจะมีความสุขสามรอยคู่มันพอแล้วแล้วลองสังเกตมองสังเกตลองดูใจยยตัวเราเองนะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเราเคยเป็นไหมอยากจะได้อยากจะได้กล้องดิจิตอลมาราคานี่ราคาในตลาดนี่ มันเป็นหมื่นและวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปห้างราคามันลดเหลือลงเหลือเจ0 0บาทสเปคเดียวกันเลยอย่างที่เราต้องการเลยเราก็ดีใจรีบซื้อมาทันทีพอกลับมาบ้านปรากฏว่าข้างบ้านเขาซื้อได้ 5,000 บาทจากที่ดีใจนี่เป็นยังไง ที่ยิ้มนี่เป็นไงผูกเลยใช่ไหมซื้อมาเจ็ดพันดีใจนะว่าซื้อได้ถูกกว่าราคาท้องตลาดหมื่นหนึง่งกลับมาที่บ้านให้มีคนซื้อได้ถูกกว่า5 0 0 0บาทไอตอนที่อุ้มมาตอนที่หิ้วมาจากร้านนี้นะฮท น, นุถนอมเครื่องกล้องที่เราซื้อมาเหลือเกินแต่พอรู้ว่าคนนึ่งเขาซื้อได้ถูกกว่าความรู้สึกต่อกล้องอันนั้นเป็นยังไง มันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนกลายเป็นเกลียดขึ้นมาแล้วหรือรู้สึกไม่ชอบมันขึ้นมาแล้วทําไมถึงเป็นเช่นนั้นในเมื่อเรายังไม่ทันได้ใช้เลยกล้องก็ดีนะถ่ายรูปได้ตรงตามสเปคแล้วก็ถูกกว่าท้องตลาดแต่ทําไมเราไม่ชอบมันละเพราะเราไปเปรียบเทียบของคนอื่นว่าของอื่นมันถูกกว่า นี่ถ้ า, ามีสตินะั่นเราเห็นเลยนะเห็นจิตเลยโอ้จิตของเรานี่มันไม่เข้าท่าเลยนะของดีๆที่ซื้อมาใหม่แต่ทาไมจากชอบมาเป็นชังได้เราเห็นแ ล, แล้วเราเราก็จะรู้เลยว่าไอความชังนี่มันเป็นความชังที่มันไม่เข้าท่าเลยในเมื่อมันก็เป็นของดีของถูกเพียงแต่ว่ามันแพงกว่าของคนอื่นท่านนั้นเองเราก็ไม่ชอบมันละ ไอ้เนี่ยความไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเกิดขึ้นตรงนี้แหละคือการที่เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามีแฟนเราไม่มีความสุขกับแฟนของเราเพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามีโทรศัพท์มือถือเราก็ไม่มีความสุขกับโทรศัพท์เพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าของเขาแพงของเขารุ่นดีกว่าใหม่กว่าและอย่างนี้นะคุณจะไม่มีทางมีความสุขเลยนะถ้ายังมีความคิดแบบนี้พอไม่ว่ากจะซื้อรุ่นใหม่มาอย่างไรก็ตามก็ยังมีคนที่มันมีรุ่นใหม่กว่าเรา ถ้าเราไม่มีสตินะมันก็ไปตามความอยากเวลาเห็นคนอื่นเขามีดีกว่าถูกกว่าเราก็จะไม่ชอบของของเราไอ้ความชอบความไม่ชอบเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความลืมตัวนะไม่มีสติแต่ถ้ามีสติเราจะถามตัวเองเลว่าของที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็ยังดีอยู่ไม่ใช่หรือก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วจะไปชังมันทำไมยิ่งของนี่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆด้วยซ้าอย่างกล้อง เจ็ดันที่ว่างนีย่ยังซื้อมาใหม่ๆเลยเวลาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไปมองคนอื่นนะเราจะทุกข์อย่างแรกเราทุกข์ว่าเราทุกข์ที่เราไม่ได้มีเหมือนเขา 2. เราจะพลาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์หรือมีความสุขจากสิ่งที่เรามีนะส อ, อย่างนั้นหนึ่ง เราทุกข์เพราะเราไม่มีอย่างที่เขามีและสองไอสิ่งที่เรามีอยู่เราก็ไม่เห็นค่าไม่เห็นประโยชน์ทุกสองต่อเลยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับหมาในนิทานอีสบอีกเรื่องหนึ่งหมาข้ามเนื้อได้ยินไหมหมาข้ามเนื้อหมามันเป็นยังไงมันข้ามเนื้อได้ใช่ไหมมันดีใจมันก็จะเอาไปกินที่ถิ่นของมัน แต่พอมันข้ามสะพานนี่มันมองไปที่แม่น้ำเนี่ยมันเห็นหมาอีกตัวหนึ่งเสื้อคือเงาของมันนั่นแหละหมาในเงาเนี่ยมันคาบเนื้อใหญ่กว่ามันอยากได้ใช่ไหมมันทำไงมันก็เลยอ้าปากเพื่อที่จะไปงับเนื้อของหมาที่อยู่ในแม่น้ําซึ่งที่จริงคือเงาของมันเองพอมันอ้าปากเข้าไปไอ้เนื้อที่มันคาบอยู่ก็ตกลงไปใช่ไหม ส่วนเนื้อในแม่น้ำก็หายไปด้วยอดทั้งสองอย่างเนื้อของหมาตัวอื่นก็อดกินเนื้อที่อยู่ในป่าก็อดไปด้วยทุกวันนี้เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราคอยอยากจะได้ของคนอื่นหรือคอยอยากจะได้ของที่มันวางขายอยู่ตามห้างทุกพร้อมไม่ได้สิ่งนั้นและขณะเดนนียวกันไอ้สิ่งดีที่เรามีเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่เห็นค่าก็เรียกว่าเสียสองต่อ ความสุขในอนาคตก็ไม่ได้ส่วนความสุขในปัจจุบันก็ทิ้งมันไปเสียลองนึกดูเธอว่าทุกวันนี้เรามีความสุขอะไรบ้างที่อยู่กับเนื้อกับตัวเราแต่เราไม่เห็นค่าของมันเพราะเรามองไปนอกตัวเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เนี่ยการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยมีความสุขอย่างยิ่งคุณไม่รู้สึกนะแต่พอคุณป่วยเข้าไป ปวดหัวปวดท้องขึ้นมาเป็นหวัดขึ้นมาจะรู้เลยว่าโอ้ตอนที่เรามีสุขภาพดีนั่นนะ่ะเป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วแต่ไม่เห็นค่าเวลานี้เรามีพ่อมีแม่นะเราไม่รู้สึกเลยนะว่าการที่ได้มีพ่อมีแม่เนี่ยเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตแต่พอคุณได้สูญเสียพ่อสูญเสียมากไปคุณจะรู้สึกเสียดายโอกาสที่น่าจะได้อยู่กับพ่อแม่แต่ว่าไม่ใช่โอกาสนั้นเรามีคนรักเราก็ปฏิบัติกับเขาอย่าง ไม่เห็นคุณค่าแต่พอเขาทิ้งเราไปเป็นยังไงค่อยมานั่งร้องห่มร้องไห้เสียดายไอตอนที่เขาอยู่กับเรานี่ไม่เห็นค่าเพราะใจเราไปอยู่กับคนอื่นหรือไปอยู่กับสิ่งอื่นความสุขนี่มันอยู่กับเราตลอดเวลานะเพียงแค่ได้กินอิ่มนอนอุน่นนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งคุณลองนึกถึงคนในแอฟริกา หรือว่านึกถึงคนในสลัมหลายแห่งในกรุงเทพที่ก็ไม่มีอะไรจะกินแล่ถ้าคุณได้เป็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยคุณจะรู้สึกแล้วว่าไอ้ที่ได้มีกินเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วแต่คนเราเมื่อได้กินอิ่มนอนอุ่นแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นค่าเพราะตามไปมองอยากจะได้รถอยากจะรวยอยากจะอะไรสารพัดมองไปข้างหน้าตลอดเวลาจนกระทั่งลืมสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน นี่เลยว่าลืมตัวนะไม่มีสติแต่ถ้ามีสตินี่มันจะเตือนเราเลยนะให้เราทราบซึ้งกับสิ่งที่เรามีอย่าคอยให้มันหายมันสูญไปซะก่อนถึงค่อยมาทราบซึ้งเพิอถึงตอนนั้นอาจจะไม่มีโอกาสได้เอาคืนมาแล้วก็ได้เช่นพ่อแม่ได้ตายจากไปแล้วถึงค่อยมานึกเสียดายว่าโอ้ช่วงที่อยู่กับพ่อแม่นั้นเป็นความสุขเราทิ้งโอกาสนั้นไปเราไม่เห็นค่าของของช่วงเวลานั้นแต่เจ้าจะเอาคืนมาก็ไม่ได้แล้ว เพราะท่านไปแล้วแี่ลองเพื่อนลองพิจารณาตัวเราให้ดีๆอย่าดูถูกตัวเราอย่าเมินเฉยสิ่งดีๆที่เรามีอยู่อย่าไปเพื่อเพลินกับความสุขที่มันยังมาไม่ถึงนะความสุขที่มีอยู่กับเราแล้วนะอันนี้สำคัญ แต่ถ้าเราไปมัวเมานะไปมัวเมากับบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอนาคตหรือว่าสิ่งที่ฉาบฉวยชั่วครั้งชั่วคราวเราจะลืมตัวแล้วเราจะไม่ให้ให้ค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะทิ้งอะไรก็ทิ้งได้นะแต่ว่าอย่าทิ้งสติคือการรู้สึกตัวและการรู้ทอดท่อนความรู้สึกนึกคิด ต, ต่างๆไม่ว่าจะบวกจะลบนะ และมันจะทําให้เราได้หันมาพิจารณาว่าให้ความรู้สึกบางอย่างที่มันครอบงําใจเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่คดท่าเสร็จเลยแล้วไม่ควรค่าที่เราจะจะเป็นท่าของมันใจของเราเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเราจะรักตัวเราเองมากขึ้นเราจะมีความสุขกับชีวิตกับจิตใจของเราจะมีจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่จะไม่คอยมองไปว่าคนอื่นเขามีอะไรบ้าง หรือไม่สนใจว่าในห้างเขามีอะไรบ้างและเราจะพอใจมีความสุขกับสิ่งที่เรามีไม่ว่านั่นจะเป็นวัตถุสิ่งของผู้คนหรือสุขภาพแล้วก็ตาม